สมสวดวีครับหน้าหนึ่งแปดสิบสองข้อที่69สิบเก้าพิจูรูปใดรู้อยู่คืนร่วมบริโภคด้วยรับของหรือให้ของและเรียนทำด้วยหรือสอนทำให้ก็ดีร่วมทำสำังขา ร, รด้วยก็ดีสำเร็จการนอนร่วมชัยพาเดียวกันก็ดี กับที่สูผู้กระห้อยรำเช่นนั้นข้อก่อนโดยที่ยังไม่ถูกกระทำโอสารวนกรรมยอมรับเข้ามมูยังไม่สละกความเห็นเช่นนั้นต้องทานปัปตาริตีครับ น, นีนหมายควาะว่าที่สู่ททำผิดข้อก่อ น, นะครับและก็ถูกสงลงเคบเป็นนิยกรรมนะเขายกออกจามูข้างหน้าแล้วครับยังไม่เับเข้าหมูใช่ไหม ทนี narrower, er. ้พี่สุกรู้ทั้งรู้ว่าพี่สุกนั้นเป็นอย่างนี้นะครับถูกสอนองค์การไส่วนนยิไม่ได้ข้ามหมูเลยแล้วก็ไปร่วมบริพหงนะร่วมบนพอดนึกคืออะไรอามณบริพหคธรรมะบริพหงใช่ไหมครับอามิบริพหงนี่บอกว่ารับของไม่ให้ของที่เมื่อกี้บอกว่าหนักกว่าหน้าชีนะครับให้ของก็ไม่ได้รับของก็ไม่ได้เรียนธรรมก็ไม่ได้สองธรรมก็ไม่ได้ต้องแบไปอยูที่เท่านั้นนะครับรับมาทีก็ต้องทีให้ทีก็ต้องทีนะครับ ถ้าเกี่ยวกันมีคำสอนคำก็เอาเป็นทุกบททั่วตลาดไปนะครับต้องมัตรเยอะมากนะนี่ร่วมทำสมัครกรรมทุงนายไม่ได้นะครั บ, โบโกูโบสโปนสมัคกรแต่ไม่ได้ต้องแบบนั้นนะครับจะต้องบัตตอนไหนเพราะตอนจ บ, นจบก็มาว า, านารนะคราตรงเกี่ยวกับสมรกรรมนอนร่วมชายคาก็ไม่ได้นะครับแม้จะเป็นตันจารนะอ น, นี้หนักกว่านอนร่วชายคากับมาตุคาเนี่ยนะแม้ประตูข้ า, ขาทุลราคา แต่ความเป็นชายชายดกันนะครัถ้าเป็นเรารุูกก็ต้องอาบัตเทนั้นนะครับอันนี้นะบอกพิจูตผู้จูดสองลงเขปณิยกรรมคือเป็นมิจฉาทิสทีอย่างข้อก่อนนะครับอันนี้ไม่ใช่เขปนิยกรรมมีทั้งสามพวกใช่ไหมที่โดนลงเขปนิยกรรมคืออะไรนะครับร่วมที่อะไรนะนี่ก่อนนะคนก่ไม่เหนอาบัตนะครับไม่เห็นอาบันนะ เอ็อเมบุตรอารัชีใชครับใช่ไม่เห็นอาบัตนะครับใช่นะไม่ทาคืน อ, อาบัตและก็เป็นมิจฉ า, าทิฏฐิไ ม, ไม่เห็นอาบัตไม่ท่คืนอาบัตเราไช่จับทิฏฐิที่สงฆ์โงเขตนนิยกรรมได้นะครับไม่เห็นอาบัตกนคือไม่ยอมรับมากรรมการที่ น, นั้นเป็นอาบัตนะครับไม่ได้เป็นอาบาตาาัตวม่ทำบปอะไรกินข้าเวเย็นนุ่งรับพรเข้านั่งทู่ประเทศไม่อาบาัตเาะ คิดมากครับ <Beer. S 1> <heights birthday S 2> ถึงแม้ยกข้าวบาีอะไรมานะมาบอกมาเตียงก็จะไม่ยอมนาครับเขาไม่เห็นว่าเป็นอามาเป็นผว้อาวุะครับนี่เป oh. to uh ็นเป็นเราพูดนครับน <te> <this> ี่นะคำเด็ดซมมติเราเห็นหรูอว่าบางปารีตีแม่ตัวก็ตกเลยครับเดี๋ตรนี้ก็ตกแบบนี้มันคุ้นเราเขอะไรอีกครับใช่พรนี่ก็จะโดนว่าไม่ําคึนอาบัตนะ่าบมือเต็มอืมครับมันก็จะไปโดนเขานะเห็นนะแต่ว่าไม่ยอทําคืน คุณปองได้ไงก็เพียงมีวิสุทธิสักคีอยู่นะเนี่ไม่ชนะปองก็ไม่อยู่หรอกใช่ไหมครับเนี่ยคือมีแค่องค์ข้อในข้อหนึ่งในก็ลงเคลปฏิยากรรมได้นะไม่เห็นอาบัตก็ดีถ้าไม่ทำเพื่ออาบัตก็ดีหรือจะไม่ฉยวิถีก็ดีนะสามารถลงได้นะครับอันนี้อันนี้เรารู้ท่องรู้ไงว่าถ้าเป็นภาคที่ลงตรงเคลียร์ปฏิยากรรมนะครับ และแกก็ยังยังไม่รับนะยองรับข้อวมูลเลยหน้าโสดไม่สวดข้าวหมูนะครับก็ไปร่วมกันอย่างนี้ น, นี้ต้องไปไปสี่นะันก็ถือว่าไม่เยอหน้าโสว่า น, น, นี้ช่วยวันนี้นะยังไม่ได้ถามปัญหาจะถามว่าแล้ว่ไมครับเห็นปัญหามาดูหน้าที่อันนี้นะครับไปปิดอดน ยี่สิบสี่เรื่ยงพระเจ้าปักขีโดยสมัยนั้นเมื่อาพระพเจ้าประทําอยู่หนพระเจดวันทางลางของนาคาวิจิกาข้ามบดีเข็มพระนครกลางวันนี้ครั้งนั้นก็จะก็ีรู้อยู่จิมร่วมบ้างอยู่ร่วมบ้างสำเร็จการนอนด้วยกันบ้างกับพระอาทิตย์ผู้กลางอย่างนั้นผู้ยังไม่ได้ทำำํากรรมสมควรยังไม่ได้สนาบทิพถีนั้น นรรดาพสุดที่ยังผู้มั่งน้อยสันตตังก็แท้งเถิดยามพุทนาว่าชนะพะุทธวัคคีรู้อยู่จึงได้กินร่วมบ้าอยู่ร่วมบ้าทีในการนอนด้วยกันบ้างกับพระอริธาผู้กล้าอย่างนั้นนะผู้ยังไม่ได้ํากรรมสมงควรผู้ยังไม่ได้ศาสตร์พิถีพิถีล่อกพรองก็ทรงสอบถามทร ง, งเตรียมไปสอบวัคคีนะครแล้วก็เมติธรรมแบบนี้ขึ้นมา มีควาที่บาลิตาฐานเนี่ยสองร้อยสามสี่หรัมันมีสองร้อแปดสิบกว่าหน้านี่ยัำหนึ่งนะว่ากันไช้ไหมได้ได้ไหมครั บ, บเป็นไงล่งเดี๋ยวพันธ์จบละจะไปเก้าพันสิบส้าอาธิบาอุคิดต่าสองโคลคสิษาบท ถพง่อน่าอธิบายสคราวที่ก้าต่อไปคําว่าผู้กล่าวเช่นนะาาั้นปรานวัตินาได้แก่ผู้มุกระษีกล่าวว่าประถามก็ว่าตาคำมังก็คือในข้อก่อนนะที่กล่าวว่ารู้ทั่วถึงคำมุติเาจ้าตัาไว้ใช่ไหมว่าไม่ทำรายอะไรน้องเป็นต้นในคาว่าอากตานิธรรมีนั้นอนุธรรมนะผู้ยงไมนีม่อะไรนะ มันในกระทอมตาทำไหมหมายถึงการที่สงทำการเรียกที่สุดที่ถึงโยงว่าตารทำในเพราะไม่เห็นอาบัตไม่ทำคืออาบัตรหรือไม่ยอมสลัดความเห็นอันลามกข้อมูลนะเนื่องจากได้เห็นว่ามีความประพฤติที่เหมาะสมแล้วครับอนุธรรมก็คือการเรียกข้อมูลสงยังไม่ทำแกใครผู้นั้นชื่อว่าอาัคตานุธรรมนะครับ ก็คือผู้ยังไม่ได้ผู้ที่สองยังไม่ได้อะไรนะยังไม่ได้เรียกข้ามอยอม่นะฮะยังยังอมาถือ่าครับแต่นี้เขาเขาไม่มีนะเขาจะผลขึ้นไม่เป็นนะกับพระปริวาไม่เป็นนะปัญหาก็ร่วมสังกัดกรรมอะไรได้นะครับเปลี่ยนแต่ว่าพระปริวาจะมาร่วมชาย้าไม่ได้ แก็ติ่งทีไหมายคือว่าเราสมาทานอืใช่ครับเกณฑ์มันก็ต้องต้องมอตตตังไม่มีปัญหาครับเรืองมอตตตังธรรมดาเพราะฉะนั้นจึงมีความว่าที่สุใดอยู่ร่วมกับวิสุเช่นนั้นนะครับก็คือร่วมบริโภคที่ว่านะคําว่าร่วมบริโภคสามพุชัยยวาได้แก่ทำการใช้สอนอาวิตร่วมกัน หรือใช้สายทาร่วมกันอย่างที่ที่บานเมื่อกี้นะครับนะทำอามิสมพ่อและทํามัสมพ่อคําว่าอยู่ร่วมสังวาสเสยยะยาวาได้แก่ร่วมทําสังการมมิวงศัตถกร ร, ก ร, รเป็นต้นคําว่านอนร่วมสะาดเสยยางกับปัยะได้แก่นอนในที่มีที่มุงอันเดียวกันแม้จะต่างปจัจจนรข้็ตามต่อมาที ปรญดากิริยาเหล่านั้นในกรณีที่ใช้ขออามิตรร่วมกันเมื่อวิสุให้หรือรับอามิตรแม้มากด้วยความพยายามครั้งเดียวก็คงเป็นอาบัตตัวเดียวให้ของอะไรเต็มย่างนะให้ทีเดียวนะครับก็ต้องตัวเดียวแต่ได้ให้หลายๆครั้งชิ้นหน่ชิ้นสองชิ้นนี้ใช่ไหมก็จะเป็นอาบัตหลายตัวแม่รับก็ทำนองเยวกนนะครับเมื่อมีการขาดช่วงขึ้นนะครับเป็นอาบาัตตามจิตตี ทุกครั้งที่พยายานะเป็นละครเป็นละครไปในกรณีที่ใช้สอยธรรมาร่วมกันนะครับเมื่อวิสูเรียนหรือบอกให้สอนโดยบทเป็นต้นพึงสร้าง ก, การหนุญาบัตรที่กล่าวไปแล้วในพระททรมมสูตโธรรมสิทธาบทถ้าสอนเป็นทีละบใหม่ทีละัาถาเป็นบาร์คาถานะครับก็จะต้องอ่านบัตตามบัตรคาถาใช่ไหม ถ้าสอนให้ว่าเขาไปตามกิริย์อัะอักขระแต่ละพยานก็จะต้องบังตามแต่ละพยานไปครับนะแล้วก็ในกรณีทํากรรมร่วมกันพึงสร้างการกําหนดอาบัต ด, ด้วยจบกรรมวารจาร์จบกรรมวารจารหนึ่งก็ต้องอาบัตตัวใช่ไหมจบกรรมวารจาร์หนึ่งก็ต้องอาบัตตัวนี้ครับในกรณีที่บองร่วง คือสร้างการออากาลัวอาบตาจํานวนการพยายามนอนของวิสุอีิรูปหนึ่งนะครับในเมื่อวิสุทธิรูปนอนลงก่อนแล้วเมื่อเกิดกิริยาการนอนของวิสุทธิทั้งสองนะทั้งสองรูปนอนใครจะนอนสอนเอาหนอนเขาแล้วแต่นะครับแต่ว่านอนนอนด้วยกันนะครับตอบอ้องบับแต่ถ้านอนแล้วก็ขุนรูปขุนหน้าอย่างเนี้่นะหรือนั่ น, นี่ก็นอนดีนะครับก็ต้องอบอกลาให้ตัวการกิริยาที่นอนลงอีกนะครับ เ น, นี่ยนะครับออกไปเหตุเกิดประเพณีอาบัติแลสิกขาบทนี้คุณพระพาะกจ้าทรปะหลุกพิสูจน์เปอรคีในเมืองสามัคคีบัญญัติไว้แล้วข้อเหตุคือการบริพ่อร่วมกับอนิษฐานพิสูจน์เพราะฉะนั้นพิสูจนนี่ก็ต้องวนเว้นเลยใช่ไหมเขาจะได้เข็ดหลางนะครับถ้ายัางมีคนยังไปร่วมแปอะไรเข้าเนี่ยเขาก็าได้ใจใช่ไหมว่าเราก็ยังมีพ้างมีพวกใช่ไหครับ มหาหญีิเมื่อเพื่อแก้ตัวนะต้องไม่ให้สิทธิไม่ไปร่วมอะไรแกอะไรนะครับเป็นสาธารณาบัญญัติพิสูุน์ก็มีนะครับอันนักติดการไม่เกี่ยวกับการใช้นะครับต้องทําเองนะไปร่วมเองพิสูจถุงยกว่าจริงแต่ไม่แน่ใจนะครับสงสยัยว่ามีถุงย่อกหรืไม่ถุงย่อกนะนะนี้ต้องมาทุกกดนะครับข้อนี้ไม่ใช่ติดการครั้งนี้ต้องรู้ทั้งรู้นครับรู้หรือว่าว่างนี้อะไรที่รู้สึกมันต้องรู้นะ จงนุ้องนะครับไม่ใช่วิสุทธ์ถุญยกมัฏนะครับแต่เข้าใจว่าเป็นผู้ที่ถุญยกวัฏหรือว่าสงสัยนะครับก็ดีอันนี้ก็ยังต้องอ่าทุกบทอนาบทวิสุทธิ์ไม่ต้องอา่านบทเมื่อไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ถุญสงยกวัฏจริงหรือไม่ก็าตามเข้าใจว่าไม่ได้ถุญยกวัฏนะครับเอาความเข้าเป็นเกณฑ์เลยเนี่ยทาไม่ต้องอา่านบทเลยเพราะนักเข้าใจว่าผู้นั้นบริสุทธิ์ไม่ถุยกวัฏจริงนะครับ ได้ทราบว่าพิสูจนั้นได้รับการเรียกข้อมูลแล้วหรือยอมเสนอความเห็นแล้วนะครับก็หาอย่างอืมาเพื่อแก้ตัวได้แล้วนะเพราะสงเรียกข้อมูลเรียบร้อนนี้ก็มีปัญหาก็คือเป็นภาพต่างเดิมและพิสูจบ้างเป็นต้นนี้ก็ไม่ต้องอานบัตรนะครับองอาบัตรในสิ่งที่นี้มีองศาเหล่านี้คือหนึ่งพิสูจนที่ถูกยกวันนั้นยังไม่ถูกเรียกข้อมูลนะครับซอมรู้อยู่นะครับรู้นะ สามทำการบริโภคร่วมกันเป็นต้ น, นก็อาาก้าจมิบริโภคเป็นต้นนะเมื่อเขาองศาก็ต้องปัจติตในสิกขาวงนี้นะครับสมุทฐานเป็นต้นเป็นเช่นเดียวกับอัินาคาสุทฐานอานิจจาใช่ไหมอันนี้แม่นกันเลยครับใช่ไหมครับกายจิตวาจาจิตกายวาจาจิตสามใช่ไหมไเพราะว่าต้องมีจิตรู้เท่ารู้ กายเราก็ไปร่วมเข้าด้วยกายใช่ไหมวาจากขารวมด้วยวาจาแสดงทมให้อะไรนิ่งท้อได้ทางการทางวาจากขาได้เท่านั้นต่างแต่สิขาบนนี้เป็นปณนิวัชชาเพนะราะไม่ได้เป็นกุศลอย่างเดียวในกรณที่เรามันยังไม่รู้ข้มบัญญัติใช่ไหมได้ จ, จะเป็นกุศลก็ได้เราแบ่งของให้เขาหนะึ่งท้อในกรณีที่มันรู้ข้อบัญญัตินะมีศีรษะมีฐานาสามนั่นเองครับ จบการอธิบายอุคิดต่างโภคาสิกาบุข้อนี้ก็จมครับ